ลูกหลานสามีภรยาใครๆก็รักสงหวอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมร่วงเกินจึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ไม่่วงล้มเขตแดนของกละกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณสี่มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชินดีเลยแม้แต่สัตว์เดราฉานเขาก็ไม่พอใจในคาหลอกลวง